ไม่ใสยไม่ลงเาาลม ย, ลลยมาแล้วก็อรคิดเจอะเขียวอาหารล่เหนื่อยๆรอบนั่งไกลได้ยินไหมล่ะกับใคร มันหลุมปลูกเอนี่ได้ไนาะว่างไหมเนาะวันมั น, นหลุมปลูกกอกเห็นเบียรโอ๊กมันเย้ะถ้เป็นหลุมปลูกดีๆแล้วเอาเครื่องที่ทำสำหรับใส่ขยะไปคว้บไปถ้าไม่ควอบคนไม่เห็นความสำคัญเลยขี้เกียจรถ แ, แถวแม่คีเอาอย่าออกไปเยอะกับหน้นาตะปูตรงไหนว่นางๆบางทีพวกนี้มัแก่รับพวกตึขึ้นมาใส่แถวนั้นหนึ่งสักแถวทิ้งทิ้ไว้เพื่อเกิดแล้วไม่เกิดมันขึ้นเป็นหมูกเป็นหมูกกันแถวนั้นมันเฉดป่าแล้วมันเป็นป่าแล้วจะผิงแดดก็มาจุดทางนี้จ่จุดกลมในป่า อ้ามีป่ามันที่แคบมันก็เป็นก้วง <c oughs> ตอนมันสว่างตามันเกิดค่อยๆกับที่ <c oughs> กว่วงอยู่แต่เป็นที่แคบครับแคบไปแค่ะนั้นเสริมเอาไว <c oughs> ้โดยเฉพาะประเทศไทยนีวันแม่วันแม่มีแต่เอากันปลูกต้นไม้อยากน้อยที่สุดนันสาละหนึ่งต้น ปลูกแล้วให้รักษาไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้ง <c oughs> พวกคือตามถนนหนทางใหญ่ๆประเทศไทยนะงบประมาณต้นไม้มาปลูก <c oughs> แล้วก็เผาเวลาที่เกี่ยตัดจ้า ก, ก็เผาเอาพวกทํางานก็มิตรอยากให้มันตายบ่อยๆเพื่อจะได้มีงบประมาณมามาห้าร้อยทำครึ่งหนึ่งได้พันหนึ่งทำครึ่งหนึ่ง เป็นอย่างนั้นแ่ะไ่รักษาเพราะฉะนั่นจึงแห้งแล้งอยู่งั้นบนกันที่แห้งก็แล้งที่แล้งก็แล้งที่ท่วมก็ท่วมทางเชียงใหม่ก็ว่าท่วมทางสานก็ว่าแห้งแล้งแก้งกันแก้งน้ากันเลยน้ำที่ละสี่สิบห้าสิบเครื่องออ นกับสิไม่เจ้าคือไปรับภัยไม่มีเลยพขไปสิมึงเจ้าเมืมมม่อวานแล้วครับนะกลับเมื่อวานแล้วครับผมขัรถเ้ามันสองขัน้นบวกั้นเดียวั้นเดีย ว, วครับเมืม่อวานันใ น, นว่างไหมละ่ะว่างไงละ่ะไปถามมั่ย ปลูกด <Okay. S 2> ินปลูกต <c oughs> mm. <soci> <op> <oru> ้นไม้ฉัวัน้าอยู่สวันเน่มนไปกวันแม่วันนนนพอผู้หญิงก็มารถตรงนั้น เันนี่เปไหนก็ไม่รู <c> ้ท <oughs> ี่ปลูกแล้วก็มาลดแยกก็มาลดอยู่นะ <c oughs> ปลูกดีๆแล้วก็จะเอาตีเป็นกงเป็นกองต้องหลับใส่ขยะเห็นรวมกันเป็นมุ่นเดอะแยะเ <c oughs> ห็คนความสำคัญถ้ามีเครื่องหมายไว้แล้วคนก็ได้รักษา <c oughs> ถ้าไม่ใส่เครื่องหมายคนก็ไม่รักษา <c oughs> ไม่ได้เป็นหาต้นไม้สาหรับทําบ้านของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ต้นไม้พระพุทธเจ้าได้ตัดตะรูอยู่ป่าสร้างกุฏิให้พระพุทธเจ้าต้นไม้นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตัดตะรูตามต้นไม้เราจะไปตัดตะรูในกุติโกโก้แกลี้ยงยงงามๆไม่เข้าท่าพราบุญก็ว่าเจ้าโจมเทือไทย <c oughs> อะไรก็กกอยู่กับจ่าเก่งกว่าญาติโยมพระก็โก เ, โเก้อเก๋กว่าญาติโยมรถก็หลัวหาก็่าญาติโยมกุฏิกหลูวหล า, า, <c oughs> ลาก็่าญาติโยมหลังคากุฏิก็หินหน้าเข้าไปดูไม่ได้้นเลี่ยมตาลุ่มประตูรั้ววัดก็เลี่ยมตาเม็ดที่เขียนเอาวัดพัฒนาตัวอย่างม <c oughs> ีต ว, วัดพัฒนาตัวอย่างเห็นด้วย อ, อไดรก็ได้แต่ใจเลี่ยมบ่ ตอ้องยอดก็ไปทางนู่นใจว่างไหมใจสะอาดไหมเรื่องใสที่สุดคือใจเรียอ ง, งามที่สุดงามที่ใจใช่ใบหน้านี่แต่เรื่องตะลาวจับพระจับเนนเด่นไปเดินโบกกินยาเมาสุราในวัดในว่านี่แต่เรื่องจุงจุกน่นคนเราชอบดู ห่างนอกงามตานอกทั้งในเป็นบกเดือยพิจนาว่าบกเดือยสกปรกเบกเดือยเห็นด้วยตาก็มีบิกเดือยสกปกเห็นด้วยใจก็มีบกเดือยเห็นว่ามันสกปกเลยบกเดือยมันบอกงามไอ้บกเดือยเรเป็นขนยัอษ์ใอยู่อกเดือยงามตาหนอกทั้งในเป็นบกเดือย ฟังฝนฝนกับมอญ น, น้าฟังไปมอญ ค, ค, คือถ้าเอาคําของพระเจ้ามาฟังก็สะดุดใจนะงามที่ใจใยใบหน้าผ่านนี่งามตะนอกข้างในเป็นปเกเสื้อข้างในสกรปรก <c oughs> เต็มไปด้วยม้วนกับไปข้างในตาเนื้อห้องก็สกรปรกเอาตาข้างในม้วนกับไปในหัวใจนะภายนอกเป็นสัขงขารไปไหมขึ้ ใ, ใ, ใจ ใั้รู้จักภายนอกภายในพยายามทำไว้ปลูกไว้แต่มันไม่คยอยากจะปลูกก็เพราะว่ามันแรงถ้าฝนตกมาถ้าเราปลูกไว้เราก็ดีมันจะขึ้นเลย <c oughs> เพียนเอาที่ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ขึ้นเนี่แยแหละไปรักษาเอา <c oughs> อลาวพอน Ramana h a